ทีนี้ภิกษุณีถูลนันทาได้ยินก็แล้วแลวก็คิดว่าภิกษุณีที่ถือหางพระอนน์นะก็ถือว่าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าอานนท์ผู้เป็นมุนีเปลืองปราดถูกพระผู้เป็นเจ้ามหากระสปะรุกรานด้วยวาทะว่าเป็นเด็กแล้วก็ไม่พอใจภิกษุณีถือหางก็ไม่ชอบแล้วจึงเปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจว่าอะไรเล่าพระผู้เป็นเจ้ามหากัะสปะผู้เคยเป็นอัญญาเดรถีก็คือแปลว่าบวชเองอ่ะ คเคยบวชเองมากนะจึงสําคัญพระคุณเจ้าอานนท์ผู้เป็นมุนีเปลืองปราดว่าตนควรรุกรานด้วยวาทะว่าเป็นเด็กท่านพระมหากษัตริยก็ได้ยินภิกษุณีทุลละนันทากล่าววาจานี้นะภิกษุณีบ่นอยู่ทางนั้นท่านได้ยินที่จริงพระมหากษัตริยเนี่ยท่านถ้าหูธรรมดาท่านก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์ด้วยที่พระโสดาตัเนี่ยท่านรองพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ครั้งนั้นท่านพระมาหากัะสปะจึงกล่าวกับท่านพระอนุนว่าอานุนผู้มีอายุภิกษุณีถูลนันธายังไม่ทันพิจารณาก็กล่าววาจาพล่อยๆเพราะเราเองปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตไม่นึกเลยว่าเราบวชอุทิศศาสดาอึด น, นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้งก่อน เมื่อเรายังเป็นครือขัดเคยคิดว่าคาราวาดเนี่ยช่างคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลีบรรดชานี่ปลอดตปรงผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวประดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายนะักทางที่ดีเราควรปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรดชิตสมัยต่อมา เราทำผ้าสังคาติแห่งผ้าที่เก่าปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรตชิตอุทิตเฉพาะท่านผู้เป็นพระอรหันในโลกเมื่อบวชแล้วยังเดินไปสิ้นระยะทางไกลได้พบพระผู้มีพระภาคระหว่างเมืองราชครึกกับบ้านนารันทคำกำลังประทับอยู่นะพระหุปุตตะเจดีพอพบเข้าแล้วก็ราพึงอยู่ว่า เราพบพระศาสดาก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยข้อความเมื่อกี้นะที่ในไตรสรนนคมในหัวข้อว่าการถึงความเป็นสิท์ผู้มีอายุเรานั้นจึงซบเสียนกล้าวลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าณที่นั้นเองได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์คู่เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระ อ, องค์เป็นสาวกถ้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสัพระศาสดาของข้าพระ อ, องค์ข้าพระ อ, องค์เป็นสาวกปฏิญาณเป็นลูกศิษย์ทันทีเลยนะเจอหน้าปับ๊บสมัครเป็นลูกศิษย์ทันทีเลยเมื่อเรากราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเราว่าดูก่อนกัสปะผู้ใดเล่า ยังไม่ทราบชัดถึงสาวกผู้ประมวลมาด้วยจิตทั้งหมดอย่างนี้แล้วจะพึงพูดว่ารู้อยู่ยังไม่เห็นเลยจะพึงพูดว่าเห็นสีรษะของบุคคล น, นั้น่ะพึงตกไปคือพระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากมายมหาศาลแต่ถ้าหากว่าใครนะอมภูมิก็คือว่าที่จริงไม่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าเลยไม่ได้เป็นพระวทหตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วผู้ที่มีบุญระดับนี้เนี่ย มากราบปฏิญาณตนว่าเป็นสาวกนะหัวเนี่ยผ่าออกเป็นเจ็เสียงทันทีเลยอนุภาพของบุญท่านเขาบอกว่าถ้าพระมหากระสปะว่ายทะเลนะนอบน้อมทะเลเนี่ยทะเลเหือดแห้งอะ่ะบุญท่านขนาดนั้นอันนั้นแล้วประวัติของท่านเนี่ยเป็นพระที่น่าศึกษามากเป็นพระที่รวบรวมสังขยาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เดี๋ยววหลังจะเอาประวัติพระมหากระสปะมาอ่านให้ฟังว่าลําดับการเจริญกุศลบุญบา ร, รมีของท่านอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างไร แต่วันนี้เวลาก็คงไม่พอเพราะว่าเราคงฟังเฉพาะที่เป็นพระสูตรที่พระหมหากัสสปะได้กล่าวกับท่านพระอนุน์พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าดูก่อนกัสสปะแต่เรารู้อยู่จึงพูดว่ารู้เห็นอยู่จึงพูดว่าเห็นเพราะเหตุนั้นแหละกัสสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า อันนั้นนี่คำพูดที่พระพุทธเจ้าให้โอวาสพระมหากัะสปะเนี่ยบวช ด, ด้วยโอวาทสามข้อไม่บวชแบบสุนาตุเมพันเตสังโคอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยท่านบวช ด, ด้วยโอวาทสามข้อเป็นพระที่บวชพิเศษมีองค์เดียวเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากเข้าไปตั้งฮิริโอตปะอย่างแรงกล้าในพิสูจนทั้งหลายผู้เป็นเทระผู้เป็นนว ก, กะผู้เป็นมชิมะ น, นะเข้าไปตั้งเหิเรก็คือความละอายโอตระความเกรงกลัวอย่างแรงกล้าในภิสูจน์ทั้งสามวัยเลยคําว่านวากะก็คือพระตั้งแต่ไม่มีพรรษาจนถึงพรรษาหพอครบห้าไปจนถึงสิเรียกว่ามชิมะเลยสิบขึ้นไปเรียกว่าเถระยี่สบขึ้นไปเรียกว่ามหาเทระอันมหาเทระสมาคมก็คือบวชเกิน20พ่พรรษาทั้งนั้นเนีพราะนั้นคาว่าพระเทระ ก็คือผู้ที่มั่นคงเทระในที่นี้หมายถึงผู้มั่นคงเพราะฉะนั้นเธอนี่เข้าไปตั้งหีริโอตาปะอย่างแรงกล้าในภิกษุทั้งสามปูนอย่างที่ว่าไปนี้โอวาทข้อที่หนึ่งข้อ2เราจะฟังธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลจักกระทำธรรมะนั้นทั้งหมดให้เกิดประโยชน์ใส่ใจถึงธรรมะนั้นทั้งหมดจักประมวลมาด้วยจิตทั้งหมดเนี่ยโสดสระพระธรรม แสดงว่าถ้าขณะฟังสิ่งที่เกิดประโยชน์เกิดสาระที่เป็นพระธรรมคําสอนเนี่ยเอาจริงเลยนะถือว่าเป็นหลักในการฟังอะประมวลมาด้วยจิตว่างั้นเถอะระดมความรู้ความสามารถความนึกคิดเพื่อตรึกตรองพระธรรมของพเพื่อตรึกตรองพระธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นสาระว่างั้นแล้วก็สุดท้ายเราจักไม่ละกายคตาสติที่สหรกรด้วยกุศลความสําราญ คำว่ากายคตาสติตรงนี้ท่านอธิบายหมายถึงพวกอาการสาสองหรือว่าพวกธาตุนะผู้ที่มีความรู้เรื่องกายานุปัสสนาอยู่แล้วนั่นแหละเรียกว่ากายานุปัสสนาทั้งหมดชื่อว่ากายคตาสตินั่นแหละเป็นสติที่ระลึกเป็นไปในกายทั้งกี่บพัพะเท่าไหร่กี่บพับพะสิบสี่บพะ นะกายานุปัสนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในมหาสติประธานสูตรมีสิบสี่บัพพะหรือบัพพ า, ปาพแปล ว, ว่ามวดหมวดที่หนึ่งว่าด้วยอานาปานสติการกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสูตรนี้พระองค์แสดงไว้เยอะนะหลายแห่งด้วยหลายคัมภีร์ด้วยในมัชฌิมนิกายอานาปานสติสูตรก็แสดง เพราะว่าผู้ที่จเจริญอานาปานสติสา ม, มารถที่จะยังสติประฐานสีให้บริบูรณ์ผู้ที่จะยังสติประฐานสี่ให้บริบูรณ์สา ม, มารถที่จะยังโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์ผู้ที่ยังโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์ก็ยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิชาก็คือมัจวิมุตติก็ได้แก่ผลแล้วในอานาปานสติปฏิสัมพิธามัจอานาปานสติกถานเนี่ยก็กล่าวถึงการกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้ายาวออกยาวฮึดเนี่ยนะเป็นผ่ารหัตได้อะใครไม่เชื่อนะไปอ่านดูปฏิสัมพิธามมัคอาณาปานสติกถาลมหายใจเข้ายาวออกยาวแค่นั้นแหะท่านพระสารีบุตรแสดงอธิบายว่ามันเป็นผ่ารหั ต, ตมัคได้ยังไงนะแล้วก็ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นท่านก็สแสดงจนถึงอรหั ต, ตมัค อ, อีกโอ้อ่านจนเวียนหัวของเราโอ้ลมหายใจธรรมดานี่ไม่ใช่ธรรมดามีรายละเอียดมากที่สุดเลย กรรมฐานที่ศึกษาแล้วยากที่สุดคืออนาปานสติของของดัมมาเนี่ยอ่านทั้งอ่านในวิสุทธิมัคปฏิสัมพิธามาัคอ่านหลายคัมภีร์มากเพื่อที่จะเจริญให้ได้อะเสร็จแล้วมันไปไม่รอด <c oughs> มาศึกษาเมตายังกระเบาวกว่าตั้งเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอานาปานสติผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้รับผลตามคำสอน <c oughs> ที่พระ อ, องค์ทรงสแสดงก็ควรที่จะศึกษาให้ละเอียด แล้วก็หมั่วบัพพาที่สองว่าด้วยอะไ ร, อ, ร, ระอิริยาบถบัพพาอิริยาบถบัพพาก็คือบัพพาหรือหมวดที่ว่าด้วยยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนนี้มีอะไรเป็นสมุทฐานมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะฉะนั้นอิริยาบถาบัพพาก็คือจิตปะชาวายุธาตุที่เป็นไปที่ทําให้เกิดการยืนเดินนั่งและนอนใช่ไหมที่นั่งเนี่ย เขาบอกว่าจิตชาตวายโยเนี่ยทำให้เท้าพับแล้วทําให้กายส่วนบนเนี่ยตั้งขึ้นเคยเคยสังเกตจิตชาตวายโยที่ทําให้ทรงตัวให้นั่งไหมถ้าลองจิตชาตวายโยมันไม่เกิดนะเดี๋ยวโงกซ้ายโงกขวาแล้วก็ล้มพริ้งลงไปแล้วจิตชาตวายโยหรือบางทีจิตชาตวายโยมีในชีวิตมานานเลยไม่เคยสังเกตเลยบางทีของใกล้ตัวนะเราไม่ค่อยมองเห็น น, นั่นแหละทั้งๆ ท, ที่จิตชาตวายโยที่ทําให้เกิดทรงตัวในขณะนั่งเนี่ยมีอยู่ตลอดเลยนะ น้อยมากที่เราไม่มีจิตชาวาโยที่ทําให้เกิดเป็นไปการทรงการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยน้อยมากเว้นไว้แต่หลับอะ น, นะถ้าแบบตื่นๆอยู่ทั่วไปเนี่ยจิตที่ทําให้เกิดการยืนการเดินการนั่งการนอนถ้าของเราบางครั้งก็ทรงตัวด้วยโลภะบ่อยไหมปกตินะถ้าขนาดไหนไม่มีโลภะเนี่ยผิดปกติเยอมกันนะนั่นแหละทรงตัวด้วยโลภะแป ด, ดวงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ทรงตัวด้วยโทสัก บางทีก็นั่งเผลอเคลื่อไปที่ไหนก็นไม่รู้ก็ทรงตัวด้วยโมหะทรงตัวด้วยมหากุศลเนี่ยบ่อยนะก็ทรงตัวเพื่อที่จะฟังธรรมนั่นไงลักษณะก็ทรงตัวด้วยมหากุศลถ้าถ้าสภาพจิตที่น้อมไปในพระธรรมพิจารณาหมวดธรรมะแล้วอะจิตอันนั้นเป็นแพรให้เกิดจิตตชา ว, วายโยทําให้เกิดการทรงตัวขึ้นลักษณะนี้แหละเป็นจิตตชา ว, วายโยที่เกิดจากมหากุศลเพราะฉะนั้นปุตุชนทั่วไป จะส่งตัวด้วยมหากุศลและอากุศลเท่านั้นเองเพราะนันมันมีอยู่สองอย่างอะชาวนะของพวกเรามีอยู่สอ ง, สองประเภทกุศลกับอากุศลถ้ากุศลนะมีสูตรอยู่ว่าเอาอะไรมาวิเคราะห์เอาอะไรมาตั้งหนึ่งถ้ากุศลต้องเป็นไปกับทานสองศีล ส, สามภาวนาหรือเป็นไปกับบุญกิริยาวัตถุสิบพั้นถ้าจิตเป็นไปกับบุญกิริยาวัตถุสิบทาให้เกิดการยืนการเดินการนั่ง การ น, นอนนั่นชื่อว่าเป็นจิตชาวายโยธาที่เกิดจากมหากุศลที่เหลือเลยบาปบริสุทธิ์โลภะหมดโลภะบาปไหมบาปมันบริสุทธิ์เลยมันมีกุศลแทรกเลยอ่ะคำว่าทองคาบริสุทธิ์ก็คือไม่มีอะไรไปผสมใช่ไหมถ้าบาปบริสุทธิ์ก็คือโลภะที่มันเกิดอย่างสืบเนื่องอันนี้ยบาปบริสุทธิ์แหละทีนี้ในอิรยาปถาน บ, บาปะนั้นผู้ที่สามารถ ศึกษาอย่างนี้บ่อยๆสามารถที่จะพิจารณาเห็นจิตชาตวายโยธาตหรือกายอันนี้เป็นภายในก็ได้เป็นภายนอกก็ได้ใช่เป็นทั้งภายในและภายนอกเห็นทั้งความเกิดและความเสื่อมเมื่อเช้าอ่านในอัตกถาสุตตานิบาต ท, ท่านกล่าวบอกว่าจิตชาตวายโยธาตเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนตามอะไรเป็นไปตามจิต ใช่ถ้าหากว่าจิตเป็นโลพะชนิดนี้กายทรงก็จะทรงแบบนี้ถ้าโลภาอีกชนิดหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึง่งอันถ้าผู้ที่เข้าใจในเรื่องจิตดีจะเข้าใจในเรื่องของจิตชาวายโยธาดีถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจจิตตชาวายโยธาดนะเหตุ<ก>ปัจจายนี่เงียบเลยอะ่ะคัมภีรปัจจัยนี้ไม่กระดิกหูเลยสองอาทิ ป, ปติปัจจัยนะสหาชาตาธทิปติก็ไม่กระดิกเหมือ น, นกัน ถ้าไม่รู้เรื่องนี้นะถ้าไม่สังเกตจิตชาวายโยธาจะไม่รู้ปัจจัยเยอะเลยเช่นกะสหาชาตกรรมมาปัจจัยเราจะไม่ชัดเลยและก็เหตุปัจจัยที่ปฏิปัจจัยแล้วก็พวกตระกูลสหาชาติชาติเราจะไม่มั่นเลยเพราะว่าพวกจิตชาตวายโยก็คือจิตตชรูอมีจิตเป็นปัจจัยจนะำนวนปัจฐานใช้คำว่าปัจจัยใช่ไหม เช่นเหตุเหตุตัสัมปยจจุตการนางธรรมานังตังสมุทฐานานันจะรูปานัง hey, เหตุปัจเจเนปัจจโยเหตุนะเหตุเป็นปัจจัยแก่ธรรมะที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุอย่างเงี้ยหรือว่าเหตุ hey, เป็นปัจใจัยให้จิตตชรูปเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันจิตตชรูปเหล่านี้ก็มีเหตุเป็นปัจจัยมีเหตุเป็นปัจจัย hey, เกิดขึ้นจจอันถ้าไม่ศึกษาเรื่องจิตตชรูปดีๆนะ พวกเหตุปัจจัยที่ปฏิปัจจัยเนี่ยคัมภีเหล่านี้เนี่ยเก็บสนิทเลยอะ่ะแต่ถ้าสังเกตส่วนนี้บ่อยๆนะเราจะชัดเรื่องสหาชาติชาติเกือบสิบห้าปัจจัยขึ้นนะถ้าสังเกตจิตช า, า, าติวายโยธาตบ่อยๆเพราะนั้นบัพภาที่สองก็คืออิริยาบดบัพพาบัพพาที่สามสัมปัญญะบัพพะสัมปัญญะบัพพะครั้งก่อนเนี่ยโหว่วาซะยาวเลย ตอนนี้เนี่ยเอาเอาสีข้อจําชื่อได้ไหมสัมปชัญญะมีกี่อย่าง4ี่อย่างหนึ่งศาสตรกสัมปชัญญะสองสปายะสัมปชัญญะ3โคจระสัมปชัญญะสุดท้ายอะซัมโมหะสัมปชัญญะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นผู้มีปกติธรรมสัมปชัญญะในขณะที่ไปข้างหน้าถอยกลับในขณะและในขณะ เหลวในขณะคูเข้าในขณะเหยียดออกบาลีใช้คําว่าสัมปะชาณการีเป็นผู้มีปกติสั ม, ทำ ส, มญญนนำทำสัมปัญญะอันนี้นคาว่าทำสัมปชัญญะทํำยังไงหนงึถ้าจะไปจะมาใช่ไหมคหํานึงถึงประโยชน์ประโยชน์ของการไปการมาอันนี้เรียกว่าสาทธะสัมปชัญญะสองส ป, ปายะไปแล้วกุศ ล, ลจิตเกิดไหมกุศลเจริญไหม ถ้าการไปการมาแล้วพิจารณาลักษณะนี้เป็นสปายะสัมปชัญญะในขณะที่ไปสามารถเจริญกรรมฐานได้ไหมสามารถที่จะบริหารกรรมฐานในขณะที่ไปได้ไหมอย่างนี้เรียกว่าโคจระสัมปชัญญะและสุดท้ายขณะที่ไปมานะพิจารณาโดยความเป็นขันธ์าตุอริยตนสัจจะอินทรีย์ได้ไหมถ้าพิจารณาได้เป็น อสัมโมหะสัมปชัญญาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสัมปชาณการีผู้มีปกติทำสัมปชัญญาในเจ็หมวดจะยืนจะเออจหมวดก็คือหมวดที่หนึ่งว่าด้วยเกี่ยวกับไปมาสองแลเหลียวสคู้เข้าเหยียดออก4การทรงบาด ท, ทรงจีวรถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นโยมก็นุ่งห่มเสื้อผ้าแล้วก็ต่อไปในการการกินดื่ม รับประทานขบเคี้ยวแล้วก็อยู่ในห้องน้ําอ่ะทําอะไรบ้างอะไรนั่นแหละพวกนั้นสัมปชัญญะสี่นะถ้าสัมปชัญญะไม่ได้สอบตกเนี่ยผมรู้สึกว่าย่าจมเข้าใจเยอะนะสัมปชัญญะสีเนี่ยโ อ, โอว่ามาตั้งหลายวันไม่เข้าใจก็เต็มทีเหมือนกันเลยสาธุสาธุาธจริงจริเช่นวะ่าแสดงว่าปฏิบัติอย่างนี้นะพิจรนารณาอย่าง น, น้อยที่สุดนะอาสัมโมหะไม่ได้ก็เอาไว้ก่อน ให้มันได้สาท ธ, ธากะหน่อยจะได้คํานึงถึงว่าไปทําไมมาทําไมชัด<ง>เจนตั้งแต่ต้นเลยคงจะเปลี่ยนความคิดอีกหลายคนนะเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนะคงจะเลิกคิดแล้วนะตอนนี้นะเจนทรอนเพราะว่าเดินก็รู้ว่าเดินโถใครไม่รู้บ้างใช่ไหมไม่ได้หลับดีถ้าหากว่าเอาแค่นั้นเนี่ยคงคงอียาวเรื่องยาวมีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งผมนึกเลยครับนี่คือสัปปลายาสาหรับผม เพรา ะ, ระตรงนั้นนี้มีแมลงมดปลุกเยอะตรงนั้ น, น, นผมทานหาแล้วผมยังมีโอกาสให้ทานด้วยให้ทานได้ด้วยนะใช่ป่ะหมดนี่ส ป, ปายะเพราะสัมปชัญญะบพพาปพระเนี่ยนะถ้ามีความเข้าใจอันนี้นะอย่าลืมสติปัญญาทุกบัปพระนะมีตอนจบว่ายังไงพึงพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือธรรมะในธรรมะเนี่ยเป็นภายในบ้างเป็น ภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างทั้งความเกิดขึ้นบ้างทั้งความเสื่อมบ้างทั้งความเกิดบ้างทั้งความเสื่อมบ้างโรูประคันเกิดด้วยอาการเท่าไหร่เท่าไหร่โรูประคันเกิดด้วยอาการ25 25เส mm ื่อมด้วยอาการ25เขาเลยเรียกว่าอุทยพยานาสิบ พิจารณาเห็นความเกิดบ้างพิจารณาเห็นความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมบ้างย่อมอยู่นะสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายนี้หรือเวทนานี้หรือจิตนี้หรือธรรมะมีอยู่ก็เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยรู้สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตรหาและทิฏฐิไม่ถือมั่นในโลกนี้ในโลกคืออุปาทานคันห้าในโลกคือคันห้านั่นแหละต่อไปบาร์ผ้าที่สองเกี่ยวกับกายยักตาสติก็คือ อะไอกาธาตุใช่ไหมธาตุนันะปฏิกูละมนัิการะบัพพะปฏิกูลปฏิกูลก็แปลว่าไม่สะอาดนั่นแหละมีมีกี่อย่างในกายเราสามสิบสองอย่างก็คือพิจารณาอาการสามสิบสองอย่างเบื้องบนแต่ปลายเท้าเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ นะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้พร้อมของเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นจนถึงมัทหลงคันติก็คือมันสมองในกระโหลกศรีรษะพิจารณาโดยอาการต่างๆอะไรในความเป็นของปฏิกูลเหล่านี้พิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยโอกาสโดยบริเฉษและโดยอัพยาปาระอัพยาปารณัยอัพยาปารณัยนี่เป็นในที่ที่น่าคิดมาก ก็คือเขาบอกว่าสมมุติถ้าผมบนศีรษะนะพิ่จะนาเหมือนกับว่าจอมปลวกอ่ะที่มีหญ้าเที่ยนๆอ่ะหญ้ามันก็ไม่รู้ว่ามันงอกบนจอมปลวกอ่ะจอมปลูกมันก็ไม่รู้ว่าหญ้างอกข้างบนมันก็บอกว่าผมที่งอกบนศีรษะก็เหมือนกันมันไม่เคยคิดเลยนะผมเคยคิดแม่โชคดีเหลือเกินเราได้มางอกบนศีรษะของนางกอนายงออย่างเงี้ยไม่มีแล้วผมเออหนังศีรษะก็ไม่รู้นะโอ้โหเราเนี่ยมีผมดกดผมอย่างนี้มาปกหัวอยู่นะหนังก็ไม่เคยรู้อีกนั่นแหละ แต่ว่าลักษณะนี้เป็นอัพยาปารณัยเป็นในที่ควรพิจารณนาบ่อยๆผมสังเกตดูนะฮะในสัมปชัญญปะปัปพะก็ดีนะฮะหรือว่ า, าในปฏิกูละนะมนสิการนาสิกาละปะัปพะก็ดีนะี่นะหมายถึงว่าการเจริญวิปัสสนาตามแนวพระไตรตามพระสูตรนี่นะครับก็จะควบคู่ไประหว่างสมถะกับวิปัสสนาควบคู่<อ>ไปเลยเจริญ่านเช่นน่ะ เช่นสัมปชัญญะบาปานี่นะครับในโคจระสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะส่วนใหญ่ทีเดียวเชิญผ่นโคจรสัมปชัญญะเป็นสมถะอาสัมโมหะเป็นเป็นวิปัสนาหรือเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่อย่างในคัมภีร์ท่านกล่าวถึงแม้แต่วิปัสนานั้นอะความเข้าใจในเรื่องขันธาตุอายตนะเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมอย่างในหัวข้อว่าแลเหลียว การแลเหลี่ยวเนี่ยแลด้วยอะไรก็แลด้วยว่ามีใครไปทําให้ลืมตาขึ้นไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมเป็นที่ลืมตาขึ้นด้วยอาศัยอะไรเป็นปัจจัยจิตชาวาโยธาจิตชาจิตเกิดขึ้นเป็นแชร์จิตชาวายโยธาทําให้หนังตาส่วนบนเนี่ยหดดึงขึ้นนะส่วนล่างก็หดลงก็กลิ้งตาแล้วครับนี้จะดูอะไรก็กลิ้งไปเรื่อยแต่การกลิ้งแบบนั้นเป็นจิตชาวาโยธาตใช่ไหมก็เป็นปรามัดไม่หมดก็เป็นสภาวธรรม เป็นภาวะธรรมเจนพรแล้วต่อไปอีกโดยขันน่ะจากขูตัวตาเนี่ยที่กลิ้งเนี่ยก็เป็นรูปขันใช่ไหมสีที่เห็นก็เป็นรูปขันรูปขันจิตเห็นเป็นวิญญาณขันวิญญาณขันเวทนาที่เกิดขึ้นขนาดนั้นเป็นเวทนาขันเวทนาขันสัญญาเกิดขึ้นขนาดนั้นก็เป็นสังขารขันสัญญาขันสัญญาขันเจนพรภาษากับเจตนาที่เกิดขึ้นขนาดนั้นก็เป็นสังขารขันสังขารขันก็เป็นขันห้า เป็นอายตนะก็ได้ธาตุก็ได้แล้วในคำพีร์ท่านยังกล่าวถึงปัจจัยด้วยนะใช่ไหมเช่ mm hmm. นจักรคูเป็นวัตถุปุเรชาตปัใจจัยให้จักรคูวิญญาณสีเป็นอารามณปัใจจัยให้จักรคูวิญญาณขณะนั้นอันแ เ, ล, เลี้ยวก็ประกอบไปด้วยขันธ์ธาตุอายตนะปัจจัยอันผู้ที่มีความเข้าใจดีอยู่แล้วก็สามารถที่จะเหลี้ยวซ้ายแลขวาก็เป็นอาศัมโมหสัมปชัญญะได้อย่างสบายๆเลยแล้เป็น สัจจะยังไงล่ะครับท่านไม่ครบสักทีอ๋อไม่ไม่ถึงสัจจะเลยนะใช่ไหมตานี้เป็นทุกขสั์สีเห็นก็เป็นทุกขสัตย์จิตเห็นก็เป็นทุกขสั์ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเหล่านั้นก็เป็นทุกขสั์กิจของทุกขสั์ทํำยังไงหน้าที่ของทุกถ้าว่าโดยชอบควรปฏิบัติยังไงกับทุกเหล่านี้กําหนดรู้พระผู้มีพระภาคทรงสอนเพื่อให้รอบรู้ในอุปาทานนักขันเหล่านี้เอง เพื่อให้สาวกรอบรู้นะคําว่ารอบรู้เนี่ยรอบรู้ด้วยแปลเป็นบาลีว่าปริญญาปริญญารอบรู้เนี่ยนะแปลเป็นบาลีว่าปริญญาปริญญามีสามระดับด้วยกั น, นการรู้สภาวะธรรมเหล่านั้นพร้อมทั้งปัจจัยชื่อว่ายาตะาปริญญาอีซีอีซอีซีนะครับการพิจารณาสภาวะธรรมเหล่านั้นพร้อมทั้งปัจจัยเลยเรียกว่าเรียกว่ายาตะปริญญาความหมายขอมว่ารู้ วิเศษลักษณะเขาแล้วก็รู้ปัจจัยต่างๆเขาด้วยตรงนี้ใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นยาตาปริญญ า, าทีนี้การพิจารณาธรรมะเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะทางตาเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีหรือว่าพิจารณาโดยอาการสี่สิบสองอย่างตามที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในมหานิเทศอย่างนั้นชื่อว่าตรีรณปริญญา เมื่อพิจารณามากๆเข้าสา ม, มารถที่จะละวิปลาสได้เรียกว่าป<ห>ารนาป ร, าปริญญาเมื่อตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงละอะไรได้ละ<ไ>นิจวิปลาสได้เร<ถ>ียกว่าละนิจสัญญานะเขาบอกว่าที่ไหนถ้าเจอคําว่านิจวิปลาสมีกี่ตัวมีสามอย่างนะสัญญาวิปลาสจิตาวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสก็บอกถ้าไปเจอที่ไหนว่าสัญญาวิปลาสขอให้รู้เถอว่าตรงนั้นเนี่ยอมคําว่าจิตและ ทิฏวิปลาดลด้วยเพราะฉะนั้นที่ไหนทนละถ้าขณะที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละนิจจสัญญาก็คือละสัญญาวิปลาดด้วยละจิตตวิปลาดด้วยละทิฏวิปลาดด้วยเขาเรียกว่าเป็นปหาณปริญญ า, าผู้ที่จะปะหานาปริญญาเหล่านี้ได้พวกนั้นต้องเป็นอนุปัสนาจประการนะอนุปัสนาจิตนะก็คือหนึ่งตามเห็นจากขู่เป็นต้นโดยความเป็นของไม่เที่ยง เรียกว่าอนิจจานุปัสสนาพิจารณาเห็นจากขู่โดยความเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขานุปัสสนาพิจารณาจากขู่โดยความเป็นอนัตตาเรียกว่าอนตัตตานุปัสสนาเมื่อเบื่อหน่ายเรียกว่านิพพานุปัสสนาเมื่อเห็นโดยความดับเรียกว่านิโรธานุปัสสนาและอะไรอีกตัวแล้วก็คลายกำหนัด คลายกำหนัในสิ่งนั้นเรียกว่าวิราคานุปัสสนาสุดท้ายสละคืนเรียกว่าปฏินิสักคานุปัสสนาทีนี้ไอ้ปฏินิสักคาเนี่ยมีอยู่สองอย่างด้วยกันสละคืนด้วยวิปัสสนากับสละคืนด้วยมัช ส, สามารถที่จะเชื่อมต่อในอริยมรรคอริยมรรคจริงๆนั่นแหละเรียกว่าเป็นปหานปาริญญาเป็นปหาณปาริญญาที่ที่สูงสุดเลยครับบรรลุแล้วครับวันนี้เลิกกับครับสูตรนี้มไม่จบเวลาลแล้วครับหมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาต่อสูตรนี้อีกเนาะ โชคดีว่าแหมจะได้ไม่ทุกข์ากายาวิญญาณไม่เกิด